นี่ต่อไปเนคขัมเมปรมิงคันตาวาถึงแล้วซึ่งเนคขัมมะารมีเนี่ยนะคำว่าเนคขัมมะารมีนั้นหมายถึงการออกบวชอย่างใหญ่ออกบวชครั้งใหญ่สามอย่างนะเรียกว่าการสละจริงๆอ่านะสละเพื่อไปเจริญกุศลอันที่จริงครั้งก่อนเนี่ยเนคขัมมะสูงสุดเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของนิพพานคําว่าเนคขัมมะเป็นชื่อของนิพพานแล้วอุบายที่จะให้มันรลุนิพพานคืออะไร คือสมถะและวิปัสสนามันสมถะวิปัสสนาก็ชื่อว่าเนคขมะแล้วผู้ที่จะอบรมสมถะวิปัสสนาได้อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุนิพพานเนี่ยต้องทํำยังไงท่านบอกว่าออกบวชออกบวชนั้นเป็นประตูเป็นหนทางที่จะให้อบรมเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะแต่ตรงนี้เน้นพิเศษคือเน้นการบวชเพราะเป็นหนทางแห่งการอบรมสมถะและวิปัสสนาเพื่อพระนิพพาน ในชาติที่ออกบวชเนี่ยนะไม่มีปริมาณนะไม่ต้องนับว่าออกบวชมากี่ชาติอนะง้ในการละที่พระโพธิสัตว์สละราชสมบัติยิ่งใหญ่แล้วบำเพ็ญเนคข ม, มะบารมีในการที่มาแล้วในจรยาปิฎกอย่างนี้เช่นยุทันชยบัณฑิตโสมนัสกุมารแล้วก็หัตถิปารากุมารมคเทวะนะมะขะเทวหรือว่าเนมิราชเป็นต้นเนี่ยนะ เนคคัมมะบารมีที่พระโพธิสัตว์นั้นผู้สละราชสมบัติออกบวชไม่เกี่ยวข้องอย่างที่พระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าเราสละราชสมบัติใหญ่หลวงที่อยู่ในเงื้อมมือสละเหมือนอะไรเหมือนถมก้อนน้ำลายเมื่อเราสละก็ไม่เกี่ยวข้องนี้เป็นเนคคัมมะบารมีของเราจริงๆถ้าพูดตามสภาพที่เป็นจริงๆแท้ ราชสมบัติถึงเราไม่สละราชสมบัติเดี๋ยวราชสมบัติก็สละจากเราถ้าเราตายไปแล้วราชสมบัติของใครก็ของคนที่อยู่ไปพะนันก่อนจะจากตายก็ขอจากเป็นก่อนเพื่อไปบำเพ็ญบุญเนี่ยนะก็ไปเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อถึงความพ้นทุกเนี่ยนะแต่ก็สละได้เนี่ยนะแต่ถ้าไม่สละอะไรจะเกิดขึ้นก็คือผู้ที่ไม่ยอมสละก็เป็นไงก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นผู้ออกจากทุก แต่นี้ก็เสียสละอย่าลืมนะว่าข้อต่อไปนี้คือปัญญาบารมีไม่ใช่สละแบบโง่ๆเนี่ยนะปันดิเตปริปุจิตวานะหมายความว่าถึงแล้วซึ่งปัญญาด้วยการสอบถามบัณฑิตการสอบถามบัณฑิตนั้นเป็นปัจจัยของปัญญาเพราะปัจจัยของปัญญาบารมีมีอยู่สองอย่างปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในตรงนี้ให้ความสําคัญพิเศษคือปัจจัยภายนอกคือประโตโขสะ ประตูโะการที่จ ะ, ะได้ฟังคนอื่นพูดให้ฟังเนี่ยนะมันก็ต้องสอบถามบริปุจิ ต, ตาวาเนี่ยนะโดยสับแปลว่าการประสงค์ปรารถนาจะรู้โดยรอบคำว่าสอบถามแปลว่าปรารถนาใครจะรู้โดยรอบปรารถนาจะรอบรู้โดยไม่มีส่วนเหลือเรียกว่าปริปุชาเราสอบถามถึงการจำแนกธรรมมีกุศลเป็นต้นว่า อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมก็ <c oughs> <c oughs> คือถามว่ากุศลกุศลไม่มีโทษอย่างไรกุศลให้ผลเป็นสุขอย่างไรทำแล้วดีอย่างไรถ้าพลาดโอกาสในการเจริญกุศลแล้วเสียหายอย่างไรอกุศลคืออะไรอกุศลมีโทษอย่างไรผลของอกุศลต่อไป เป็นอย่างไรเนี่ยถ้าผู้ที่ประมาทพลาดไปทำบาปอากุศลเสียหายอย่างไรนั่นก็เป็นการสอบถามปรารถนาจะเรียกว่ารอบรู้รู้ ร, รอบอย่างทั้งหมดพะนะท่า น, นถามว่าอะไรเป็นกุศลก็ถามเกี่ยวกับมัคคุศจะอะไรเป็นอกุศลก็ถามสมุทัยสัจจะผลของกุศลและผลของอกุศลที่เป็นไปในวัตตะ เป็นอย่างไรก็เป็นการสอบถามความเป็นไปในวัตตะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรดีชั่วอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมกระแสสังสารวัตรไหลไปยังไงกระแสวิบากและกรรมชรุปเกิดได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุแห่งสุขอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมมองเห็นปัญหาและสาวไปหาเหตุหรือว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่ต่อไปจะมีปัญหาอย่างไรต่อไปก็เล็งออกทั้งหมดทีนี้การที่จะเข้าใจอย่างนั้นได้ก็สอบถามผู้มี ประสบาการณ์บัณฑิตทั้งหลายคือผู้ที่มีประสบาการณ์ันั้นเราก็สามารถที่จะไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองก็ถือว่าย่อเวลาในการศึกษาเนี่ยนะย่อเวลาในการศึกษาพันการสอบถามบัณฑิตผู้ที่ฝ่ายรู้บางอย่างเข้าสะสมมาเป็นพันปีนะเราก็ไปสอบถามแล้วก็รอบรู้สิ่งนั้นไม่ต้องไปทดลองเป็นพันปีเป็นต้นก็ได้ความรู้เหล่านั้นแล้วแม้กระทั่งตลอดจนถึงการสอบถามถึงการกระทําถามศิลปะถามเรื่องวิชา ที่ไม่มีโทษเช่นว่ากรรมศริลปะวิชาที่ไม่มีโทษอนันนำมาซึ่งอุปการะแก่สัตว์ทั้งหลายความรู้ใดในโลกที่รู้แล้วไม่มีโทษเช่นความรู้อะไรบ้างที่รู้แล้วไม่มีโทษคือความรู้สรุปง่ายๆว่าความรู้ใดที่ไม่เป็นไปเพื่อปานาติบาตอตินนาทานกาเมสุมิชฌาจารไม่เป็นไปเพื่อวจีทุจริตไม่เป็นไปเพื่อมโนทุจริตความรู้ใดที่ไม่เป็นไปเพื่อล่วงอกุศลกรรมบทสิบ หรือเพื่อปิดช <that> ่องทางแห่งการทำอกุศลกรรมบทตรสิบอันนั้นแหละเป็นความรู้ที่เป็นอุปการะต่อสัตว์ทั้งหลายเอาถามมาแล้วความรู้ที่เป็นไปเพื่อทำปานาติบาสน่ะก็เป็นความรู้ที่เป็นไปเพื่อายุสั้นเอาแล้วความรู้ที่เป็นไปเพื่ออทินนาทานก็เป็นไปเพื่อทุกข์ยากเป็นไปเพื่อยากจนในอนาคตเอาแล้วความรู้ที่เป็นไปเพื่อการเมนสุมิจฉาจาร์ก็เป็นความรู้ที่เป็นไปเพื่อสร้างศัตรู ความรู้ที่เป็นไปเพื่อวจีทุจริตก็นำมาซึ่งความเดือดร้อนโดยประการต่างๆสรุปว่าอะไรก็ตามที่เป็นบาปเป็นอกุศลสิ่งใดที่มีโทษมันให้ผลเป็นความเดือดร้อนมันอะไรก็ตามที่เชื่อมโยงต่อความชั่วเหล่านี้จึงไม่ดีไม่เป็นอุปการะอย่างแท้จริงมีแต่ทุกข์มีแต่โทษในในในตอนท้ายซึ่งต่างจากกรรมศิลปะวิชาที่ไม่มีโทษ เป็นความรู้ที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในโลกนี้ทําให้เลี้ยงตัวเองได้อย่างเป็นสุขเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างเป็นสุขเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นต้นได้อย่างผาสุขใช้ชีวิตอย่างผาสุขแล้วก็เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่ก็ไม่ขวางต่อทางแห่งสวรรค์ชีวิตแต่ละชาติก็เป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อบรรลุพระนิพพานก็เป็นการไปสอบถามบัณฑิตท่้นการสอบถามบัณฑิตบัณฑิตในทีนี้เช่นใคร ถ้าเดี๋ยวไปเรียนพุทธวงศ์จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยในอดีตเป็นพระโพธิสัตว์ออกบวชหลายชาติหลายชาติบวชและทรงพระไตรปิฎกเนะส่งพระไตรปิฎกถ้าไม่ทรงพระไตยปิฎกท่านก็อีกบางชาติท่านก็เป็นออกบวชเป็นฤาษีก็ได้ชาติแต่สรุปที่แน่ๆว่าท่านก็เป็นนักเรียนที่ดีที่สุดในบรรดานักเรียนทั้งหลายเป็นผู้ที่สแสวงหาความรู้พูดถึงชาติที่สแสวงหาปัญญาเนี่ยนะหรือชาติที่มีปัญญา ของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญปัญญาบารมีในการเป็นต้นอย่างนี้คือชาติที่เป็นวิทูลบัณฑิตนะนะวิทูลบัณฑิตชาติที่เป็นมหาโควินทบัณฑิตกุทธาลาบัณฑิตบัณฑิตจอเพี้ยนเลนะหรือว่าอารกะบัณฑิตโพธิปริภาชกหรือมโหสถบัณฑิตพูดถึงปัญญาเนี่ยนะว่าอนุภาพของปัญญาที่แท้จริงอ่ะผู้มีปัญญานั้นการมีปัญญาที่ถูกต้องไม่ใช่ปัญญาเพื่อ เบียดเบียนผู้อื่นแต่ปัญญาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นอย่างที่พระองค์บอกว่าเราค้นหาด้วยปัญญาปลดเรื่องพราหมจากทุกข์ผู้เสมอด้วยปัญญาของเราไม่มีนี้เป็นปัญญาบารมีของเรางนั้นปัญญาของพระองค์ก็คือเป็นปัญญาที่ช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกเพราะถ้าพระองค์ไม่ช่วยพราหมกว่านี้พราหมณ์นี่ล้วงเข้าไปในทงนั้นงูกัดตาย อาสัยปัญญาของพระองค์เนี่ยพระองค์บอกว่าในนั้นมีงูเนี่ยเพราะว่าในนั้ในในชาติเนี่ยในเรื่องเนี่พรามเนี่ยเามีไอ้ข้าวข้าวสัตว์เนี่ยนะข้า ว, าวสัตว์ตทีนี้มันก็มีกลิ่นงูเหา่ามันก็เข้าไปอยู่ในนั้นพระโพธิสัตว์ท่านใคร่ครวนะว่าถ้าท่านล้วงเข้าไปท่านตายก็บอกว่าก็เลยบอกวิธีให้ไล่งูออกไปก็เลยไม่ถูกงูกัดตาย อันนั้นก็อาศัยปัญญาผัสผู Adv ้ที่มีปัญญาก็ช่วยให้ผู้อื่นรอดตายได้ผั้นปัญญาที่แท้จริงก็เรียกว่าคนฉลาดเนี่ยนะถ้าหากว่าความรู้ใดที่เป็นไปเพื่อการฆ่าอันนั้นเรียกว่าอวิชาไม่เรียกว่าเป็นความรู้แต่สิ่งใดที่เรียกว่าช่วยชีวิตสัตว์ให้พ้นจากความตายอันนี้สิจึงเรียกว่าเป็นความรู้เป็นวิชาผัสผู้มีปัญญาจริงๆก็ช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความตายช่วยให้ผู้อื่นเจริญด้วยทรัพย์ ช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขในครอบครัวช่วยให้ผู้อื่นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเจริญในสัมมาอาชีพเป็นต้นไอ้การมีปัญญาแบบนี้จึงเรียกว่ามีปัญญาที่ถูกต้องมีปัญญาที่แท้จริงแต่ถ้าตรงกันข้ามความรู้ที่เป็นไปเพื่อการฆ่าเป็นต้นอันนั้นเรียกว่ามาหาอาวิชชาเนี่ยนะก็ะเรียกว่าอาวิชชาเลยแหละไม่เรียกว่าเป็นปัญญาเนี่ยนะเพราะเป็นไปเพื่อฆ่าตนและฆ่า ผู้อื่นเป็นไปเพื่อเดือดร้อนในภพนี้และภพหน้าซึ่งตรงกันข้ามจากปัญญาบรรพโ อ, องเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญาเปลื้องสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์เปลื้องสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ในโลกนี้เปลื้องสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ในโลกหน้าขณะเดียวกันเป็นเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลสัตว์ให้ประสบความสุขความเจริญตลอดไปเนี่ยนะเหตุที่ทําให้ประสบแต่ความสุขตลอดไปก็คือ ก็คือช่วยบอกแนะแนวอริยมรรคให้ผู้อื่นปฏิบัติตามอริยมรรคตรัสรู้นั่นเองอันนี้ได้ไปกี่บารมีแนละ้วทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยังกตวานะอุตมังวว่ากระทำความเพียรอย่างสูงสุดเนี่ยนะทยังไงทำอย่างสูงสุดกระทำวิริยะทั้งหลายให้เกิดประทานประทานคือความเพียรวิริยะอันสูงสุดเพราะสามารถให้ถึง สัมมาสัมโพธิญาณมาคิดดูนะเนี่ยว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเปรียบบอกว่าสูงยิ่งกว่าพรหมโลกจากแบติดกับดินเนี่ยแล้วสร้างปัญญาเนี่ยนะปัญญาเนี่ยค่อยๆเรียงสมมติปัญญาเปรียบเหมือนเม็ดทรายแล้วมาเรียงปัญญาให้กว้างเหมือนแผ่นดินแล้วให้สูงจดยิ่งกว่าพรหมโลกเนี่ยนะสร้างปัญญาได้ยังไงเอาหมานะว่า ปัญญาของพระพุทธเจ้ากว้างขวางดุดแผ่นดินค่าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินสร้างฐานแห่งปัญญาให้กว้างใหญ่ไพศาลเสมอด้วยแผ่นดินแล้วก็ให้สูงจดพรมโลกเท่ากับอะไรนะสร้างแต่ละอย่างด้วยเท่ากับเม็ดหินเม็ดทรายเนี่ยจะต้องสร้างขนาดไหนอันนี้ต้องใช้ความเพียรความเพียรของพระองค์เนี่ยที่สร้างฐานเพียรที่จะให้ทานเพียรที่จะรักษาศีลเพียรในการเจริญเนคขมมะเพียรในการอบรมปัญญาเนี่ยนะ ความเพียรขนาดไหนจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ย่อไม่ท้อมีตัวอย่างในเรื่องของในอัตถกถาสัมปัสสะนียสูตรทีขณิกายพูดถึงว่ามีอยู่ชาติหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่บุรุษอัศจรรย์ว่าไม่มีคำว่าท้อถ้าลงได้ทำอะไรแล้วไม่มีเลิกนี่มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเกิดเป็นกระรอกพยากระรอก ทีนี้พญากระรอกนี่ก็ไปมีรังอยู่ใกล้ทะเลฝนก็ตกมาน้ําก็ท่วมพัดเอาลูกตกทะเลเลยท่านก็เลยเอ๊ะทำยังไงจะช่วยลูกได้สงสารลูกก็เลยวิ่งไปในวิ่งไปที่ชายทะเลแล้วก็เอาหางนี่จุ่มจุมน้ําทะเลแล้วก็วิ่งขึ้นไปบกแล้วสลัดสลัดแล้วก็วิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงเป็นวันวเลยเต็มวันเนี่ยนะ้ วิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยเอาหางไปจุ่มน้ําทะเลแล้วขึ้นวิ่งมาสะบักจะวิตน้ําทะเลให้แห้งในเทา้าสกะก็เดือดร้อนนะว่าเออเกิด อ, อะไรขึ้นวันนี้ทําไมมันเกิดอาการเดือดร้อนผิดปกติก็ตรวจดูเห็นพยาก ร, รอกเนี่ยกําลังวิ่งไปจุ่มน้ำเอาหางไปจุ่มน้ําทะเลแล้วก็วิ่งขึ้นมาสลัดสลัดสลัดแล้วก็วิ่งไปอีกอย่างเงี้ยจะวิตน้ํำทะเลให้แห้งเพื่อเอาลูกเพราะลูกเนี่ยตกไปในน้ําทะเลพร้อมทั้งรังล่องลอยอยู่ในทะเลอยู่เลย ก็เลยบอกว่าเออท่านวิทย์ทำไมบอกวิทย์น้ําทะเลบอกโอ้ยท่านวิทย์ให้ตายน้ําทะเลมันก็ไม่แห้งอันนี้ท่านมาบอกเราอย่างนี้ใช่ไหมบอกว่าเอยเราไม่คุยกับท่านคนเกลียดครั้นต่ไหนก็ไปเถอะนะไม่ต้องมาคุยกับเราหรอกวางกันเถอะถ้าจะพูดเพื่อให้ท้อพูดเพื่อให้เลิกไปเถอะไปไหนก็ไปไม่ต้องมาคุยกับเราแต่ต้องบอกวิธีทํายังไงจะวิทย์น้ําทะเลให้แห้งสิทําไมค่อยคุยกันใช่ไหมถ้าจะคุยก็ต้องคุยบอกทำยังไงจึงจะวิทย์น้ำทะเลให้แห้ง แต่มาคุยให้เลิกวิทยเนี่ยอย่ามาคุยเลยไปไหนก็ไปเถอะคนเกียดคร้านเช่นท่ามเราไม่เสียเวลาคุยกับท่านรหรอกท้าวส ก, ก, าก่าก็ไม่รู้ทำไงก็เลยไปเอาลูกมาให้หท่านก็เลยเลิกวิทย์ไม่งั้นเอาวิทย์จนตายก็ <c oughs> ไม่เล <c oughs> ิกนะอย่างอย่างสมมติว่าท่านตกตกทะเลเนี่ยนะแล้วว่ายน้ำข้ามทะเลเนี่ยว่ายตั้งขนาดมองไม่เห็นฝั่งท่านก็ยังว่าย <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะท่านเป็นผู้ที่มีความเพียรไม่เลิกลา คนที่มีความเพียรมีความกล้าขนาดนี้นี่แหละจึงสามารถบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยนะแต่ก็อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทํากันชาติเดียวนะไม่ได้ทำกันชาติเดียวไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวแต่ทําอย่างที่เรียกว่ารอได้เนี่ยนะเป็นคนที่โรได้จริงๆกล้ากล้าแล้วก็ไม่เลิกไม่ราเนี่ยนะยาวเดี๋ยวข้อสุดท้ายจะถูกเขาด่าก็ยังไ ม, ไม่ไม่เป็นไรเนี่ยนะไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคเนี่ยนะ คือเป็นบุคคลกลุ่มที่ไม่มองทุกอย่างเป็นอุปสรรคไม่มองทุกอย่างว่าคือปัญหามีอะไรมั่งที่ทาไม่ได้ถ้าเป็นคนแบบนั้นอ่ะพระโพธิสัตว์ท่านเป็นคนกลุ่มนั้นท่านท่านจึงมีความเพียรที่สูงสุดสามารถให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในปริมาณชาติที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญวิริยะบารมีเนี่ยนะอย่างเช่นมหาศีลวราชหรือว่าปัญจวุตกุมาร พยายามมหาวานอนเป็นต้นหรือแม้กระทั่งชาติที่เป็นมหาชนกใช่ไหมว่าพระมหาชนกไหว้น้ําข้ามสมุทรเนี่ยนะเราอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรมองไม่เห็นฝั่งของพวกมนุษย์นะรเราอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรมองไม่เห็นฝั่งพวกมนุษย์ทั้งหลายพากันตายหมดเราไม่มีจิตเป็นอย่างอื่นนี้เป็นวิริยะบารมีของเราบอกท่านไหว้ทาไม บอกว่ายไปเอาทรัพย์อันเป็นมรดกของตนและจะให้ทานท่านรู้นะว่าท่านว่าให้กลับไปเอามรดกของท่านน่ะแล้วท่านจะเอาทรัพย์มรดกทั้งหมดเหล่านั้นเพื่อจะให้ทานมันเป็นความเพียรความภาคเพียรพยายามที่สูงสุดจริงๆเนี่ยนะในมาขึ้นบารมีที่หกขันติยาปรมิงคันตาวา ถึงแล้วซึ่งขันติบารมีเนี่ยนะบอกว่าเราบรรลุอธิวาสนาขันติอธิวาสนาขันติเนี่ยหมายคอว่าอดทนที่ที่ได้รับการข่มไว้ด้วยความอดทนข่มใจได้อย่างไม่ไม่รู้แก่อำนาจบาปอากุศลถึงจะมีอุปสรรคมีเรื่องให้ให้ก่อให้เกิดอกุศลโดยง่ายแต่ก็ไม่เป็นอกุศลแล้วเจริญกุศลนั้นได้อย่างยืดยาว อธิวาสนาขันตินี่คือความอดทนด้วยความอดกลั้นอย่างแท้จริงไงนะมีสภาพเป็นขันติชั้นอุกฤษอย่างยอดเยี่ยมถึงขันติบารมีอย่างยอดอยังขันติคือความอดทนให้เต็มบริบูรณ์บอกไม่มีปริมาณอัตภาพของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญขันติบารมีเช่นพยาวานอเนี่ยนะอดทนพยากระบือ ร, รู้รู้มิคราชธรรมเทพบุตร อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูครั้งที่พระองค์เป็นขันติวาทีดาบทสเสวยทุกใหญ่เหมือนเป็นคนไม่มีจิตใจเลยนะนะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะพระเจ้ากะลาปุคือพระเจ้าพารณสีเนี่ยเมาเมาแล้วไปเที่ยวไปเที่ยวสวนไปเที่ยวอุทยานเนี่ยนะนี่พอไปเที่ยวอุทยานเนี่ยสนมกำนันก็ไปคอยอุปถาก ค, คอยดูแลทีนี้เมาแล้วก็หลับหนุนตักสนมคนหนึ่ง สนมที่เหลือก็ไปเดินเที่ยวสวนเที่ยวไปเที่ยวมาไปเห็นรือสีก็เลยนั่งไปนั่งฟังธรรมพอไปนั่งฟังธรรมอยู่นะสนมคนหนึ่งก็เมื่อยอ่ะมันนอนหนุนแต่ตักเราอยู่คนเดียวเพื่อคนอื่นไปเที่ยวกันหมดก็เลยเข ย, าขยาข่าเขย่าขาเนี่ยนะเขยาข่าขาพระเจ้ากะลาโปพระเจ้าพารานสีนี่ก็ตื่นขึ้นมาก็โมโหใหญ่ไอ้พวกอิถอยนั้นไปไหนหมดโกรธเฟียดใหญ่เลยบอกโน่เหน็นไหมเป็นล้อมรือสีโน่นนะไม่ล้อมพระองค์แล้วไปล้อมบรือสีโน่นนะ พระเจ้าขาลาปูก็โกรธมากโกรธมากเพาโกรธมากก็เลยเดินไปตรงนั้นบอกว่าสมณะท่านสรรเสริญอะไรบอกท่านสรเสริญความอดทนดูซิจะทนได้แค่ไหนเอาว่าเขี้ยนก็เลยเขี้ยนบอกว่าก็เขี้ยนไปบอกนี้นี้นอดทนแค่นี้หรือขันติวาทีเนี่ยนะผู้มีลัที่ว่าอดทนวาทีตรงนั้นแปลว่าลัที่ถือลัทธิในเรื่องของความอดทนก็เลยบอกว่า ถูกเขี่ยนซะเลือดอาบท่วมผิวหนังบอกว่า อ, อดทนพอหรือยังบอกว่านี่หรืออดทนบอกความอดทนไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังรอกเนี่ยนะก็เลยเอางั้ น, นความอดทนอยู่ไหนอยู่ที่แขนขาก็เลยตัดแขนเออก็คิดว่าแล้วก็ตัดแขนตัดขาบอกความอดทนไม่ได้อยู่ที่แขนที่ขาก็ตัดหูตัดจมูกความอดทนไม่ได้อยู่ที่หูที่จมูกเสร็จแล้วก็เป็นมันไส้มากเลยนะก็วบอกว่าความอดทนอยู่ที่ใจก็เลยเอาเอ า, เอาต้นส้นเท้าเนี่ย กระทุงที่ยอดอกฤษีแล้วก็เดินจากไปจากไปเพราะจะจากไปพักเดียวแค่นนะั้นแผ่นดินก็สูบหายไปทีนี้ก่อนที่แผ่นดินสูบฤษีนี่ก็หูก็ขาดจมูกก็ขาดใะไม่แขนก็ขาดทั้งร่างกายนี่ก็เลือดอาบคล้ายๆคนประสบอุบัติเหตุนะร็จแล้วก็อมมาตก็มาประยุงบอกอขอขอพระองค์อย่าว่าขอให้พระองค์นี่อย่าถือถือโทษนะขอให้ฤษีนี่อย่าไปถือโทษ ถืออะไรเลยเนี่ยเก็บอกว่าเปฤืสีก็บอกขอให้พระเจ้าพารณสีเนี่ยมีความสุขเนี่ยนไม่ได้ถือโกรธใครเลยเลยบอกว่าเราไม่โกรธพระเจ้ากาสีผู้โบยเราด้วยขวานอันคมตอนแรกก็ใช้แส้ตอนหลังก็ใช้ขวานตอนหลังก็ใช้ส้นเท้าอี ก, ก น, นะทำเราอย่างเราไม่มีจิตใจนี้เป็นขันติบา ร, รมีของเราอันนี้ก็เป็นความอดทนเนี่ยนย คือถ้าไม่ใช่นักอดทนหรือว่ามีขันติที่ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยนะเจออุปสรรคเนี่ยนะเลิกยังไงก็เลิกแม้กระทั่งคนจะให้ทานเนี่ยเจออุปสครรคค่อนขอดนิดๆหน่อยๆก็เลิกจะรักษาศีลเนี่ยนะเจอปัญหาหน่อยก็เลิกเจริญเนคขัมมะเนี่ยบวชเข้ามาหน่อยก็เลิกสแสวงหาปัญญาร่ำเรียนพระธรรมเจอปัญหานิดหน่อยก็เลิกกันะคือมันพร้อมที่จะเลิกไม่ได้พร้อมที่จะสู้ไม่ได้พร้อมที่จะต่อ เพราะอันนี้คือปกติวิสัยของชาวโลกแต่ท่านจะไม่ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคให้ท่านเลิกเจริญกุศลไม่ใช่อุปสรรคในการที่จะให้ท่านเลิกให้ทานไม่ใช่อุปสรรคที่จะเลิกรักษาศีลไม่ใช่อุปสรรคที่จะเลิกรักษา่อุปริญเนิกรักษาไม่ใช่อุปสรรคที่จะสแสวงหาปัญญาและไม่มีอะไรที่จะทําให้ท่านท้อแท้ได้เพราะท่านเป็นผู้มีลไมช่อุปสรรคที่จะเลิกาม่ใช่อุปสรรคที่จะเลาีม่ใช่อุปสรรคที่จะเลิกรักษาศ่ใช สูงสุดวักทนได้เสมอว่างนตอนสมาทานก็เหมือนอะไรก็รบอกว่าทาใจเสมอด้วยแผ่นดินอยู่แล้วว่าจะทนเหมือนกับแผ่นดินอยู่แล้วกัตตวาทัลหมะนิฐานังเรียกว่าทําอธิษฐานบารมีให้มั่นคงเนี่ยนะเรากระทาอธิษฐานอธิษฐานคืออะไรคือสมาทานประพฤติกุศลธรรมสมาทานทากุศลเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานก็คือสมาทานทากุศล คือสมาทานบารมีสมาทานทานบารมีสมาทานเพื่อจะประพฤติศีลบารมีการสมาทานเจริญกุศลการสมาทานเพื่อเจริญกุศลทางกายวาจาใจการสมาทานเพื่อเจริญกุศลที่เป็นบุญยักกิริยาวัตถุสิบการสมาทานเจริญกุศลคือบารมีทั้งสิบการสมาทานอั น, นั้นแหละเรียกว่าอธิฐานบารมีอธิฐานบารมีรก็คือการสมาทาน การตั้งจิตเพื่อจะเจริญกุศลหรือสมาทานธรำที่เป็นอุปการะแก่บารมีการสมาทานคุณงามความดีที่จะช่วยเกื้อกูลให้ฐานะบารมีนี้เกิดขึ้นสมาทานแบบไม่ยิ่งไม่หย่อนคือท่านคำนวณอยู่แล้วว่าการเจริญกุศลอะไรเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาและมีอุปสรรคเพรา ะ, ะนั้นท่านจะต้องสมาทานให้มั่นคงว่า การสมาทานข้อปฏิบัตินั้นโดยไม่มีการกลับกรอกอนะไม่ใช่เลิกในระหว่างนะไม่ไม่ยังไงก็ต้องยาวต่อเนื่องไปพันชาติที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญอธิฐานบารมีเช่นโชติปาละสรพังคะพระเจ้าเนมิราชหรืออธิฐานที่พระองค์เป็นเตมิยะกุมารหรือมูฆะปักขะพระองค์อธิฐานพลสละชีวิตอย่างนี้ว่า เราไม่เกลียดชังพระมารดาและพระบิดาเราก็ไม่ได้เกลียดชังร่างกายคืออัตภาพของเราพระสัพพัญญุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงอธิษฐานวัดพราก็คือวะตะัตวัดอธิษฐานวัดอธิษฐานวัดไม่ใบ้ก็เหมือนใบไม่หนวกก็เหมือนหนวกไม่เปรี้ยก็สมาทานว่าเป็นเหมือนคนเปรี้ยเนี่ยนะสมาทานอย่างนี้เพื่อสัพพัญญุตยานเนี่ยนะทนทนเนี่ยนะ ขนาดพ่อแม่จะขอร้องจะคมจะขูจะยังไงก็โทษในหมดสมท า, านอันนี้เป็นการอธิษฐานเพราะอธิษฐานแบบนี้ถ้าสําเร็จแล้วได้ออกบวชถ้าออกบวชแล้วรู้ว่าคุณธรรมเหล่าใดจะต้องมีมาราะท่านจึงอธิษฐานและตั้งใจแล้วการอธิษฐานของท่านจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะอธิษฐานตั้งมั่นไม่หวันไหวนะไม่วันไหวไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนไรเหมือนภูเขาหินแท่งทึบที่ไม่หวันไหวใด อะไรอย่างอื่นไม่ไม่ถืออย่างอื่นเป็นอุปสรรคในการเจริญกุศลต่อไปสัจจวาจานุรัียะเนี่ยนะตามรักษาสัจจวาจาตามรักษาคำสัตเนี่ยนะเพราะรังเกียดโวหารที่ไม่เป็นอริยะโวหารที่ไม่ใช่อริยะนี่คืออะไรไม่เห็นว่าเห็นไม่ได้ยินว่าได้ยินไม่ทราบว่าทราบไม่รู้ว่ารู้เห็นว่าไม่เห็นได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง ทราบว่าไม่ทราบไม่รู้ว่ารู้อันนี้คือคําพูดของอนารยชนอนารยะจะพูดพูดเท็จพูดคําหยาพูดเพอเจอร์แล้วก็ส่อเสียดนี่เรียกคําพูดของผู้ที่ไม่เจริญไม่ใช่พระอริยะเพราะท่านก็รักษาสัจจะวาจาแม้ในเวลามีอันตรายถึงชีวิตก็คงรักษาสัจจะเอาไว้รักษาคําสัต์นั้นพูดไม่ให้พูดคําผิดปกติโดยประการทั้งปวง เราก็พูดโดยที่ไม่ให้ผิดปกติโดยประการทั้งปวงหันไม่มีปริมาณอัตภาพที่รักษาสัจจะบารมีเช่นเป็นพยาวานอนเนี่ยนะกระโดดข้ามน้ําหมืนะกระโดดข้ามไปเหยียบหินหรือว่าเป็นสัจจดาบทหรือแม้กระทั่งเป็นปลาเป็นนกคุ้มเป็นต้นเนี่ยนะนกคุ้มก็สัจจวาจาเหมือนกันในชาติที่เป็นมหาสุตโสมบอกว่าสละชีวิตตามรักษาคําสัต์ว่า เราตามรักษาสัจจะวาจาสละชีวิตของตนให้บริษัทเพราไรเพราะว่าไปจะถูกเค่นถูกฆ่าจะอะไรก็ช่างเถ่อยอมสละชีวิตไปตายในที่สุดก็ปล่อยกษัตริย์ทั้ง101น่ี้เป็นสัจจะบารมีของเราทั้นการตามรักษาสัจจะวาจาที่ประกอบด้วยปัญญาอย่าลืมนะบุญทุกอย่างเนี่ยต้องประกอบด้วยปัญญาหมดนะให้ทานให้โง่โ ง, งเสียหายมากรักษาศีลรักษาโ ง, ง่ก็เดือดร้อน เน่คัมมะถ้าเน่คัมมะแบบเคล้าก็ไม่รอดเจริญปัญญาแต่ว่าเคล้าปัญญาเบาปัญญานึกว่ามีปัญญาก็เสียหายเพียนถ้าความเพียนที่ขาดปัญญาก็เดือดร้อนความอดทนที่ไม่มีปัญญาประกอบก็ไม่มีประโยชน์หรือแม้กระทั่งคุณธรรมใดๆก็ตามถ้าขาดปัญญานั้นเสียหายนี่ก็เหมือนกันสัจจะบารมีที่ท่านรักษาสัจจะเพราะท่านมีปัญญาเนี่ยนะมีปัญญานั้นปัญญานี้เป็นแก้ว สารพัดนึกจริงๆที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์อย่างที่ท่านปล่อยกระสัดร้อยหนึ่งได้ก็เพราะท่านมีปัญญาอนุภาพของปัญญานั้นยิ่งใหญ่มากเนี่ยนะทำให้รักษาสัตจะทีนี้ถ้าไม่รักษาสัตจะเนี่ยนะจะแทงตลอดอริยสัจได้ไหมไม่ได้เพราะสัตจะนี่มีหลายอย่างเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปจะมีสัตจาวาจายานสัตจะ ปรมัทธสัจจะอริยสัจจะเป็นต้นเนี่ยแต่ตรงนี้เน้นพิเศษก็คือสัจจะวาจากับญาณสัจจะสัจจะในที่นี้หมายถึงยามด้วยนะหมายถึงปัญญาด้วยเหมือนกันบารมีที่ก้าบอกว่าเมตตายะปรเมงคันตวาถึงแล้วซึ่งเมตตาบารมีเนี่ยนะเราถึงเมตตาบารมีอันมีลักษณะนำประโยชน์ไปในสัรพสัตวทั้งหลายโดยไม่เจาะจงลักษณะของเมตตาคือน้อมนําประโยชน์เข้าไปให้สัรพสัต นำประโยชน์เข้าไปให้ศัตว์ผู้ใดมีเมตตาคือสมมติว่าเราได้รับความเมตตาจากผู้ใดก็คือได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใดแปลว่าเราได้รับความเมตตาจากผู้นั้นเราไปช่วยเหลือผู้ใดนั่นแหละเรียกว่าให้เมตให้ความเมตตาต่อผู้นั้นการนำประโยชน์เข้าไปให้แก่ผู้ใดเรียกว่านำเรียกว่าลักษณะของเมตตาทัานเมตตานั้นโดยปกติก็คืออะไรนำพกพทรัพย์เข้าไปให้ผู้อื่น สามารถแบ่งโภกทรัพย์ให้ผู้อื่นเพราะมีเมตตาโภกทรัพย์แบ่งอริยทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นก็เพราะมีเมตตาหรือแม้กระทั่งว่าแบ่งแนแนวอริยมรรคเป็นต้นเนี่ยก็ด้วยเมตตาเพราะเมตานั้นนะผู้ที่ได้รับความเมตตาจะสมบูรณ์ด้วยโภกทรัพย์อริยทรัพย์และอริยมรรคเป็นต้นมันเมตานั้นจึงเป็นคุณธรรมที่ลักษณะของเมตตาคือน้อมนาประโยชน์เข้าไปให้แก่สัตว์อื่นนั่นเอง ชาติที่พระองค์บำเพ็ญเมตตาบารมีเช่นในจุลธรรมปาละมหาศีลวราธสุวรรณสามบัณฑิตดูเมตตาบารมีที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์สุวรรณสามว่าเราแผ่เมตตาไม่เหลียวแลแม้ชีวิตรักษาเมตตาไม่สนใจแม้กระทั่งชีวิตว่าใครใครไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อเราแม้เราก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อใครๆ อันกําลังแห่งเมตตาอุปธรรมเอาไว้เราจึงยินดีในป่าใหญ่ในกาละนั้นอนุภาพของเมตตาเนี่ยทาให้อยู่ในป่าใหญ่ได้อย่างมีความสุขไม่มีใครกลัวแล้วก็ไม่กลัวใครส่วนสุดท้ายสมานะัมมานะนาวมานะเนเรามีจิตเสมอไม่ผิดปกติคำว่ามีปกติใจตอนขามาอย่างไรขากลับไปก็ ฉันนั้นเนี่ยนะตอนลุกฉันใดตอนตื่นก็ฉันนั้นเป็นต้นคือสรุปว่ามีใจปกติตลอดเช่นมีใจปกติด้วยการนับถือไม่ว่าจะเป็นการบูชาสการะการเคารพการยำเกรงเป็นต้นก็มีใจไม่ผิดปกติขณะเดียวกันเมื่อได้รับการดูหมิ่นดูแคลนการเหยียดหยามการถ่มน้ำลายรดเป็นต้นก็ไม่ผิดปกติเพราะฉะนั้นมองเห็นว่าการนับถือกับการดูหมิ่น คือสภาพจิตเนี่ยเท่ากันอีกกลุ่มหนึ่งมาชมเชยอีกกลุ่มหนึ่งมาดูหมิ่นเหยียดยามสภาพจิตก็เท่าเดิมคงเดิมอันนี้ลักษณะนี้ก็เรียกว่าอุเบกขาแล้วก็เป็นผู้ที่มีอุเบกขาในโลกธรรมทั้งปวงมีอุเบกขาในลาบเสื่อมลาบในยศความเสื่อมยศในนินทาและสรรเสริญมีอุเบกขาแม้กระทั่งในความสุขและความทุกข์เนนะ มันบารมีเหล่านี้จึงทําให้ได้บรรลุสัพพัญยุตยานอันยอดเยี่ยมสูงสุดไม่มีปริมาณแห่งอัตภาพที่พระโพธิสัตว์บําเพ็ญอุเบกขาบารมีในกาละเป็นต้นอย่างนี้คือในการเป็นพญา ม, มหาวานนพระเจ้ากาสีเขมพรามณ์อธิเสณปริภาชกอุเบกขาบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นเช่นในมหามหาโลมหังสะ เมื่อเด็กชาวบ้านทําให้เกิดความสุขและทําให้เกิดความทุกขผู้ที่ให้ความทุกขคืออะไรทมน้ําลายรถเป็นต้นผู้ที่ให้ความสุขด้วยการนําดอกไม้ของหอมเป็นต้นก็ไม่ละอุเบกขาอย่างนี้ว่าเรานอนอยู่ในป่าช้าเอาซากศพอันมีแต่กระดูกทําเป็นหมอนหนุนเด็กชาวบ้านพวกหนึ่งพากันเข้าไปทําความหยาบช้าร้ายกาดนานัประการจิตใจก็ไม่ วันไจิตใจก็ไม่ผิดปกตินั่นนะด้วยประการเชนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงการบำเพ็ญทุกขระกิริยาที่พระองค์ทำแล้วในพัฒกับนี้เพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณโดยสังเขวว่าในพัฒกับนี้นะยกตัวอย่างแค่กลับเดียวนี้ว่าเราได้เสวยทุกข์และเสวยสมบัติมากมายหลายอย่างในพบน้อยพบใหญ่ตามที่กล่าวแล้วนี้จึงได้บรรลุ สัมมาสัมโพธิยานอันสูงสุดก็เลยแสดงบารมีทั้ง10โดยย่อว่าเราได้ให้ทานอันควรให้บำเพ็ญศีลโดยหาเศษไม่ได้ถึงเนคข ม, มะบารมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิยานอันสูงสุดเราสอบถามบัณฑิตทั้งหลายทำความเพียรอยู่อย่างอุกฤตถึงขันติบารมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิยานอันสูงสุด เราทําอธิษฐานอย่างมั่นตามรักษาสัจจวาจาถึงเมตตาบารมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราเป็นผู้มีจิตเสมอในลาบความเสื่อมลาบในยศความเสื่อมยศ ใ, ในความนับถือและการดูหมิ่นทั้งปวงแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเนี่ยนะอันนี้ยกตัวอย่างในพัตตกลับนี้